จริยพอรอนะ่ะก่อนที่เราจะรับพรเราต้องเข้าใจก่อนว่าพรคืออะไรพรไม่ใช่สิ่งที่ผ่าเป็นผู้ให้พรไม่ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นมงคลกับเรานั้น่อความเป็นมงคลกับเรานั้นเกิดขึ้นจากเราทำเอง ไม่เจรใคไขไปผู้ให้ต่อให้มีคนมากมายไว้พรให้เราดีทุกอย่างแต่เราไม่เคยทำดีเลยพรนั้นก็มีประโยชน์ดางนั้นคำว่าพรหมายถึงความดีสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วเกิดความสุขสิ่งนั้นเรียกว่าบุญ อะไรที่เราทําแล้วเกิดทุกข์สิ่งนั้นเรียกว่าบาปดังนั้นทุกทุกการกระทําหากเราได้ลงมือทําไปแล้วด้วยกายวาจาใจของเราสิ่งนั้นทําไปแล้วเกิดประโยชน์เกิดคุณกับตัวเราเองและผู้อื่นสิ่งนั้นเรียกว่าทําดี อะไรอะไรที่ทำแล้วเกิดความเดือดร้อนด้วยกายว่าจใจของเราและความเดือดร้อนนั้นตัวเองก็เดือดร้อนด้วยผู้อื่นเดือดร้อนด้วยสินั้นเรียกว่าบาปก็วันนี้เรามีเจตนาที่ร่วมกันมาทําบุญตักบาทสิ่งนี้เรียกว่าบุญย่อมนำความสุขมาให้ บุญที่เกิดจากวัตถุทานเราก็จะได้วัตถุทีดด่ดีเป็นสิ่งที่ตอแทนแต่ไม่ใช่บุญเกิดจากกันบริจาควัตถุอย่างเดียวบุญในที่นี้เกิดขึ้นจากกายกรรมวัจจกรรมเมโนกรรมการพูดดีก็เป็นบุญ การทำดีก็เป็นบุญการคิดดีก็เป็นบุญฉะนั้นการกระทาใดๆก็ตามที่ออกไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์จากกายวาจาใจของเราสิ่งนั้นเรียกว่าบุญทั้งหมดแต่รีบุญชนิดหนึ่งที่เราไม่ต้องใช้วัตถุมันเป็นตัวสร้างบุญบุญนทนินี้คือบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนา เพราะการบาเพ็ญภาวนาก็ทำให้เราเป็นสุขได้สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฉะนั้นเมื่อเราไม่มีวัตถุไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญแต่เรามีอะไรเป็นบุญน่ะเป็นต้นทุนเดิมก็คือมีกายมีใจก็เรามีกายมาตั้งแต่เกิดเรามีใจมาตั้งแต่เกิด ใจที่ไม่เคยฝึกอบรมและขัดเกลวจึงหลงไปทำมาอะไรสิ่งที่มันทำให้ตัวเองเดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนได้ง่ายแต่ถ้าหากเราคอยขัดเกลวจิตใจของเราให้สร้างแต่กุศล ส, สร้างแต่ความดีด้วยกายวาจาใจของเราความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ที่ได้บอกว่า การภาวนาเขาเป็นปุณจิดิหนึ่งเพราะว่าการภาวนาเนี่ยทำให้เราพ้นทุกได้การภาวนาที่ถูกต้องนั้นเราต้องภาวนาอยู่กับปามจริงคำว่าภาวนานั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะภาวนานั่งบริกรรมภาวนาการภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรม ให้เรามาสุกใจของเราให้อยู่กับความจริงเพราะใจเราเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับความจริงแต่เราเลือกที่จะอยู่กับความจําและอยู่กับความคิดความจําความคิดนั่นเองมันเป็นเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ รู้นี่แหละคือตัวต้นเหตุที่ไปรับรู้แล้วทมให้เราเป็นทุกข์แล้วเราจะรู้ยังไงน่ะรู้ที่ไม่ทุกข์เมื่อเราเห็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปแห้ค่ากับสิ่งที่มองเห็นเมื่อได้ยินอะไรก็ไม่ต้องไปแห้ค่ากับสิ่งที่มันได้ยินนี่เนี่ยรู้อย่างนี้นะ่ะที่จะทำให้เราไม่เป็นทุกข์ เพราะเราไม่ได้ให้ความหมายกับสิ่งที่มันมาทางรูปรถกินเสียงที่มากระทบทางภาษาเส้นทางที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันมาจากทางไหนล่ะก็ามาทางภาษะนี่แหละมาทางรูปมาทางรถมาทางกลิ่นและมาทางเสียง เมื่อเราให้ความหมายต่อรูปร่างกินเสียงนั้นเราก็จะเกิดความพอใ จ, จแลกความไม่พอใจสองอาการนี้แหละที่ทําให้เราเป็นทุกข์พอใจมันก็เป็นทุกข์ไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์หากเรารู้ซื่อโดยไม่ให้ความหมายว่ามันน่ารักน่าชัง มองอะไรก็ไม่ต้องไปลากมันไม่ต้องไปชังมันทำใจกลางๆงเมื่อเราทำใจกลางๆางขณะที่เรายินได้ฟังรู้ของเราก็าจะเป็นรู้ที่ปกติขึ้นรู้ก็คือใจใจของเราก็าจะปกติขึ้นเพราะไม่ได้วันไหวกับสิ่งที่มากระทบทางปัศสาทะต่างๆเราต้องฝึก หากเราไม่ฝึกเนี่ยใจมันไม่มั่นคงพนั่นการฝึกนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะฝึกนั่งสมาธิสมาธิในรูปแบบเราต้องนั่งหลับตาแต่นะครับสมาธิที่ถูกต้องนั้นเราไม่ต้องหลับตาก็ได้ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะที่เราเรือนตา ให้มีสติอยู่ปัจจุบันขณะที่เราหลับตาสติระลึกรู้ก็คือระลึกรู้อยู่กับตัวเราเองเนี่แหละอยู่ที่กายเราและอยู่ที่ใจของเราเราทำอะไรหายไปทั้งวัน่โยมเราทำปัจจุบันหายไปทั้งวัน หายไปกับอดีตหายไปกับอนาคตหากเราหาปัจจุบันเจอได้แล้วปัจจุบันมันอยู่ที่ไหนปัจจุบันก็อยู่เดียวนั้นนั่นแหละและปัจจุบันเดียวนั้นก็คือกายเราเราเกิดมาเรามีเพียงแค่กายเดียวที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่วันเกิดนี่คือความจริงและเราเกิดมาเราก็มีเพียงแค่รู้เดียวนี่คือความจริง หรือว่าเรามีหลายกายโยมเรามีเพียงแค่กายเดียวเรามีเพียงแค่รู้เดียวจะรู้อะไรมันก็มีรู้เนี่ยรู้เดียวแต่เนี่ยหากเราจะสร้างรู้ของเราให้มีกำลังเราจะทำยังไงล่ะเอารู้เดียวเนี่ยมาอยู่กับกายเดียวเพียงแค่แะระดัรู้อยู่ที่กายเดียวกายว่างๆความคิดความจา มันจะหยุดไปชั่วขณะหนึ่งเพราะว่าเรามาอยู่กับความจริงใช้รู้เนี่ยมาสังเกตความจริงอยู่กับฐานของการรับรู้เรือว่าผู้รู้นั่นเองดังนั้นผู้รู้เนี่ยเรารู้จักได้ยินกันมาเยอะแต่ใครรู้ไหมว่าผู้รู้ที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนล่ะบางคนก็ว่าผู้รู้เป็นจิต บางคนก็ว an an really an ่าผูร like yes, so yeah. ู้เป็นโน้นผูรู้เป็นนี่จริงๆผูรู้ก็คือสิ่งที่เรารับรู้ขณะนั้นน่ะมันเป็นผู้รู้อยู่แล้วผู้รู้ก็คือใจแล้วใจเนี่ยมันรับรู้ได้กี่ช่องทางน่ะรับรู้ทางตาก็เป็นผู้รู้ที่ตารับรู้ที่หูก็เป็นผู้รู้ที่หูรับรู้ทางลิ้นก็เป็นผู้รู้ที่ลิ้น รับรู้ทางจมูกก็เป็นผู้รู้ที่จมูกรับรู้ทางกายก็เป็นผู้รู้ที่กายไม่ว่าจะเป็นรู้ตาหูจมูกิ้วกายก็ล้วนเกิดจากใจตงรงนู้เนออกไปรับรู้ทั้งสิน้นพราะขณะที่มันไปรับรู้น่ะมันไม่มีสติไม่มีสติขณะที่มองรูปไม่มีสติขณะที่ได้ยินเสียงไม่มีสติขณะที่ดมกลิ่น ไม่มีสติขณะที่ริมรถไม่มีสติขณะที่มีปาษสทางกายเพราะไม่ได้เฝ้าประตูหากเรามีผู้รู้นะ่ะคอยเฝ้าประตูตาหูจมูกลิ้นกายโดยใจยลรงรู้นะ่ะมาเฝ้ามันคอยสังเกตเบาๆเราก็จะไปหลงไปกับสิ่งที่จะรู้ที่มันผ่านมาทางอยตนาภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าสู่ภายใ น, ใน เราจะเป็นยามคอยเฝ้าประตูคำว่าเฝ้าประตูนั้นไม่ได้หมายความว่าเรานั่งเฝ้าตลอดแค่ระ ล, ลึกรู้อยู่ที่กายเบาๆ เ, เ, เวลามีเสียงเราก็กาหนดที่หูเมื่อยังไม่มีเสียงเราก็หนดที่กายเบาๆ เ, เวลาได้กลิ่นเราก็กาหนดรู้ที่ลิ้น ท, ที่จมูกเวลามีร้อยเกลืกจะหนดรู้ที่ปลายิ้น นั่นเราได้ฟังเสียงอย่างมีสติกินอย่างมีสติหายใจอย่างมีสติมองรูปอย่างมีสติฟังเสียงอย่างมีสตินี่แหละเราฝึกอย่างนี้เมื่อเรามีสติอยู่การรับรู้สิ่งที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้หวั่นไหว ฝึกอย่างนี้เป็นประจําเมื่อใจของเราไม่หวั่นไหวใจของเราก็จะเป็นปกติขึ้นนี่แหละใจของเราจะปกติขึ้นเพราะเรานิ่งรู้อย่าสงบอยู่กับกายว่างๆไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปทไําลายไม่ต้องไปแก้ไขสร้างใจของเราให้มีพลังขึ้นใจของเรามันอ่อนแอ ที่มันอ่อนแอมันไปยึดอะไรได้ง่ายมันหลงอะไรได้ง่ายแล้วมันทุกข์ง่ายมันวนไหวง่ายทีนี่เราจะทํายังไงให้ใจของเราไม่อ่อนแน อ, อก็ต้องฝึกใจของเราให้มีความเข้มแข็งอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละจะทําให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นอดีตอนาคตมันทําให้เราอ่อนแอเราอยู่กับอดีตทั้งวันอยู่กับอนาคตทั้งวันนั่นจึงเป็นที่ว่าเราจึงอ่อนแอ แต่เราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันที่มันเป็นความจริงเสียงก็ไปเสียงปัจจุบันเราก็นิ่งฟังเสียงปัจจุบันเท่รูปเป็นรูปปัจจุบันเราก็นิ่งสังเกตรูปปัจจุบันกลิ่นปัจจุบันเราก็นิ่งสังเกตกลิ่นปัจจุบันรถปัจจุบันเราก็นิ่งสังเกตและการนิ่งสังเกตคือสังเกตเบาๆเราไม่เคยอยู่คนเดียวเลย ไม่เคยนอนคนเดียวไม่เคยนั่งคนเดียวขณะที่เรานอนคนเดียวแท้แต่เราออกคนมานอนเต็มห้องไปหมดใช่ไหมโยมคิดถึงลูกกินถึงหลานคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดไปหมดตั้งแต่ที่มานอนอยู่คนเดียวกินคนเดียวมั่งเสยโยมเวลาเราเคี่ยวข้าวเรากินคนเดียวนะ เราก็รู้ว่าขนาดที่เคี่ยวมันมีรสชาติอะไรคืนไปคืนไปเที่ยวไปคืนไปเนี่ยเรากินคนเดียวนีเวลาเรากินข้าวก็นึกถึงคนทั้งโลกนึกถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ขนาดจะกินข้าวอาบน้ําก็อาคนเดียวสิเวลาอาบน้ําก็นึกถึงเพื่อนคนโน้นนึกถึงเพื่อนเพื่อนคนนี้เราไม่เคยอาบน้ําคนเดียวเอาเข้าไปอาบน้ําเต็มห้องหมดเอาไปนอนเต็มห้องทั้งที่เรามีแค่กายเดียวทีนี้ถ้าเรามาปลุกใจของเรา ฝึกใจต้องรู้ให้อยู่กับกายเดียวอยู่ของสดๆอยู่กับปัจจุบันเราจะได้กำลังของปัจจุบันที่มั่มีการปรุงแต่งเลยเลยปัจจุบันเนี่ยกายเรามีอยู่แล้วปัจจุบันเรามีรู้อยู่แล้วสร้างรู้ของเราให้อยู่ปัจจุบันด้วยการอารูมาสกเกียร์อยู่ที่กายจะพบว่ากายเนี่ยกาลังมีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรานั่งนิ่งๆเนี่ย กายมันยังเคลื่อนไหวอยู่ที่มันเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะว่าลมหายใจเรามานิ่งสังเกตที่กายเบาๆนะจะพบว่ากายมันพองมันยุบกายพองตลอดกายยุบตลอดแต่เราไม่เคยรู้เลยหากเรามารู้อยู่กายพองตลอดยุบกายยุบตลอดรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดที่มันเป็นความจริงนะเราจะได้กำลังของปัจจุบัน นี่คือฐานเบื้องต้นที่จะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิแห่งรู้เพราะทุกอย่างมันเป็นความจริงทั้งหมดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการของความคิดและความจำใดๆ เ, เมื่อมันมีกระบวนการของความคิดความจำเกิดขึ้นเราเริ่มทุกข์แล้วแต่ห้ามความคิดห้ามความจำไม่ได้เพราะมันคิดอยู่ทั้งวันเพราะมันจำอยู่ทั้งวัน แต่ให้เรามาเปิดรู้จากความคิดรู้จากความจำบ้างเวลามันจำแล้วก็รู้เออมันจำเวลามันคิดแล้วก็รู้มันคิดเวลามันลืมแล้วก็รู้มันลืมเวลามันหยุดคิดเราก็รู้หยุดคิดเวลาฟุ้งซ่านเราก็รู้เวลาสงบล้วก็รู้เพราะเราปฏิบัติเรามารู้อาการตามประจิงของสิ่งที่มันปรากฏขึ้นฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้ง เวลาฟุ้งอะ่ะเรานิ่งรู้อย่างสงบอยู่ทีกายเดียวอาการฟุ้งมันก็จะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงและหายไปได้ด้วยอาการของฟุ้งเองโดยที่เราไม่ต้องไปดับความทุกข์ก็เหมือนกันเวลาทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องไปหาเหตุท้าผลกับมันแค่นิ่งรู้อย่างสงบอยู่กับความรู้สึกของกายเบาๆความทุกข์ที่มันจะมาแรงขนาดไหนก็ตาม เขาจะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงและดับไปได้ด้วยตัวของทุกเองทุกไม่เกิดขึ้นที่ตัวมันเองมันตั้งอยู่ได้โดยตัวมันเองแล้วมันก็ดับด้วยตัวมันเองฉะนั้นเราไม่ต้องไปทําลายเพราะเราทําลายไม่ได้มันดับไม่ได้ที่มันดับไม่ได้ทําลายไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนคนนี้เมื่อมันไม่มีตัวตนเราจะไปดับทําลายมันอะไรมันล่ะสุกก็ไม่มีตัวตน มันก็สร้างไม่ได้มัสุขจากเหตุปัจจัยแล้วก็ทุกข์ตามเหตุปัจจัยของมันพระจ เ, าาพเจ้าสอนใ ห, ให้ยอมรับต่อความจริงขณะที่ทุกข์แล้วก็ยอมรับแล้วนิ่งรู้อย่าสงบทุกข์มันจะหายไปเองนี่คือเคล็ดลับไม่ต้องปฏิบัติอะไรเวลาสุขก็นิ่งรู้อย่าสงบแล้วสุขมันจะหายไปเองฉะนั้นสุขและทุกข์นี่มันคือบทเรียนที่จะทําให้รู้เกิดความฉลาดเกิดขึ้น มันต้องมีบททดสอบมีสุขเป็นบททดสอบมีทุกข์เป็นบททดสอบเมื่อมีสุขมีทุกข์ให้เรารู้นิ่งรู้อย่างสงบมองสุขมองทุกข์เหมือนมองกลางวันกลางคืนมืดสว่างมันไม่ได้มืดตลอดและมันไม่ได้สว่างตลอดมันไม่ได้ทุกข์ตลอดและไม่ได้สุขตลอดเราต้องมาเรียนรู้จากสิ่งที่เราหลงที่สุดคือหลงสุขหลงทุกข์นี่แหละ จนเรามองเห็นกลางวั น, วนกลางคืนมันเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้เรามองเห็นกลางวั น, วนกลางคืนเราไม่เคยเดือดร้อนเลยเพราะเห็นนั้งมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราเห็นอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยมองเห็นสุขมาทุกเลยพรอเวลาทุกมาก็หนีเวลาสุขมาก็ลูบคําหลงไหลอยู่ความสุขเนี่ยประมาทต่อสุขและประมาทต่อทุกฉะนั้นสุขและทุกเนี่ยมันเป็นสิงที่เราควรเรียนรู้ เมื่อเราเรียนรู้นะ่ะผู้รู้ก็จะเกิดความฉลาดเกิดขึ้นจนว่าสุขทุกข์เปเรื่องปกติแล้วรู้ของเราก็จะปกติขึ้นมันจะไม่เดือดร้อนปฏิบัติขโมัแต่หาแต่ความสงบความสงบได้มาจากการสร้างเมื่อเราสร้างความสงบเราก็ต้องรักษา รักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่ได้ก็เป็นภาระต่อการรักษาความสงบเพรความสงบเกิดขึ้นจากที่เราสร้างมาและผลที่เกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเราก็ผลเพราได้ที่เราสร้างมาดังนั้นสุขและทุกข์สงบและพุ่งสร้างมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแต่มีวิธีหนึ่งที่สามารถเอามันอยู่ได้ด้วยการนิ่ง และรู้อย่างสงบอยู่กับความจริงของกายเบาๆทุกอย่างมันจะดับได้ด้วยตัวของมันเองนี่คือทางปฏิบัติตมาสอนแค่นี้เนะี่ไม่ได้สอนอะไรเยอะคนที่ไปเข้าคอปฏิบัติตมาไม่ได้ทำอะไรให้เขาําอะไรเลยให้ก็ฝึกนิ่งและรู้อย่างสงบเบาๆอยู่กับความจริงปัจจุบันหลายคนหลายท่านได้หลักของใจ บอกว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่ทุกเลยเพราะอะไรที่ไม่ทุกเพราะว่าไม่ได้ทุกข์กับทุกข์ทุกมีอยู่แต่มันไม่ทุกข์สุขมีอยู่แต่มันไม่สุขสุดท้ายอยู่อย่างไม่สุขไม่ทุกข์มีสุขมีทุกข์แต่เหมือนไม่สุขเหมือนไม่ทุกข์เพราะว่ารู้มันเริ่มปกติขึ้นนี่ปฏิบัติมันเข้าเข้าถึงจุดนี้ปฏิบัติแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือไม่สุขไปกับสุขไม่ทุกข์ไปกับทุกข์ ทั้งทั้ง ท, ง ท, งที่มีสุขมีทุกข์อยู่เพราะมองเห็นว่าสุขและทุกข์มันคือธรรมาชาตินี่แหละชีวิตของเราจ่าได้หลักนะต่อไปก็ต้องจ่ยรับผ่อนนะยะข า, าวาริวหาปุลาปาลิปูเรนเติสากรังเอวะเมวะอิโตริ น, นังเตปตาน낭อุปกาปะเต ขีตังปะติตังตุ้งห้างขีปเมวะสมีจตุสัตเบปุเรนตุสังกปะฉันโดปะนาลาโสยธาไมนิโชติระโสยธาสะพีเรโยวิวัจจันโตสะพารโควินาสตุ มัตต์ภวัตวันตารโยสุขีบิกายุโกภวาอภิวาทานสิริสาเนจังุทาปัจจายนอจตตารุธมรมวทันติอายุวันโนสุขังบาลัภวตูสาปมังคังลาคันตุสาปเดวตา สัพพะ p a ตานุภาเวนะสารสุธิภวันตุเตภวัตุสัพมังคะระตุสระเดว t ตาส a พพธรรมานุภาเมนาสารสุธิภวันตุเตภวัตุสัพมังคะระราคันตุสระเดวะตา ซาปาสังกาโนปาเวนาซาดาโสทิปาวันตุเต